ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมพระพทียานกำลังพูดถึงมารฤษนาหรือเสนามานอยู่ในพระบาลีนั้นท่านแสดงไว้สิบข้อแต่อย่างที่บอกไว้ว่าเมื่อเรามองเป็นภาพรวมก็คือกลุ่มของทุกขสัตว์กับกลุ่มของสมุยทยสัตว์และแก็พวกกิเลสกับพวก สภาวธรรมทั้งหลายหรือว่าเป็นกฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมชาติธรรมดานั่นเองแต่ในขณะเดียวกันก็คือคือโลกทั้งปวงนี่เองหือถ้าเรามองแล้วก็คือสิ่งที่ปรากฏอยู่เป็นอยู่มีอยู่ในโลกนี้เองสรุปรวมว่าเป็นมาราเสนาก็คือเสนามานเมื่อก่อนได้พูดถึงกิเลสกามกับความยินดี เรียกว่ารับติไปไปอแปลว่าความยิน ด, ดีประการต่อไปนั้นก็คือความหิวกระหายอันที่จริงส่วนหนึ่งเป็นความต้องการทางร่างกายคือเป็นกฎ ธ, ธรรมชาติธรรมดากระสเบสตาอาหารริตติกาสัตว์ทั้งหลายจะอยู่ได้ด้วยอาหารแต่ว่าเพราะภายในจิตใจของคนมีกิเลสกามแล้วก็มีความยิน ด, ดี อาหารบางอย่างจึงถูกปรุงแต่งด้วยความอยากต้องการรูปอย่างนั้นเสียงอย่างนั้นกลิ่นอย่างนั้นรสอย่างนั้นสัมผัสหน้าอย่า ง, งนี้สัมผัสเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะนั้นทให้การบริโภคเนี่ยเพื่อบําบัดความผิวความกระหายมันก็กลายเป็นการรับใช้กิเลสที่สำํำรวจมาลีนั้นเรียกว่าบริโภคด้วยตัณหาจะมีการปรุงแต่งเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อย ที่จริงความหิวกระหายนั้นเราไม่สามารถบรรเทาได้ตลอดบรรเทาก็เป็นช่วงๆแต่นั่นเองเพราะเป็นสิ่งที่ติดมากับชีวิตทีต่ท่านจำแนกแสดงไว้เป็นสิบประเภทคือหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปสวัสสาวะแล้วก็ ง, ง่วงนอนแก่เจ็บตายสิบประการนี้ก็อยู่กับเรามาตลอดเราก็ทำได้แค่บรรเทา ทีนี้พอบรรเทาเนี่ยถ้าบรรเทาจะเพราะความต้องการทางร่างกายระงับความหิวกระหายที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายได้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยยุ่งยากอะไรเท่าไหร่หรอกก็ เ, เรียกว่ายาปนัดตางก็ย่างอัตภาพไปเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้แล้วแต่ว่าชาวโลกส่วนใหญ่เนี่ยจะปลนปลือเขาเรียกบำรุงแล้วก็บำเรอ มีการปนเปืกันด้วยวิธีการต่างๆเราดูง่ายๆว่าแสงสีวิจิตงดงามต่างๆที่มีอยู่ในโลกเนี่ยเป็นความสูญเปล่าของทรัพยากรธรรมชาติจานวนมหาศาลเพื่อตอบสนองกิเลสกรมที่มีอยู่ภายในใจิตใจมนุษย์ทัตตาคารหรูหราราคาไม่รู้สักเท่าไหร่ข้าไปนั่งในหายใจออกหายใจเข้าเป็นเงินตลอดระยะเวลา แต่ว่าคลก็เต็มเข้าไปชายบริการในกิจกรรมเหล่านั้นการเข้าปฏิการที่จริงมันก็คือเข้าไปบริโภคอาหารแต่ถามว่ามีความจําเป็นอะไรจะต้องเข้าปฏิปฏิการก็แน่นอนบางครั้งเราเดินทางเนี่ยเดินทางไกลก็อาจจะต้องเข้าไปในร้านอาหารแต่ปฏิการอย่างนึกไม่ออกว่ามีความจําเป็นอะไร เพราะว่าในที่นั้นแพงจริงๆแพงอย่างหน้า่างหน้าสยองแต่เราก็เข้าไปไม่ใช่บริโภคเป็นการผสมหมดเราลองสังเกตนะฮะความผิวกระหายนั้นเป็นตัวกระตุ้นเฉยๆแต่ว่าถูกปรุงแต่งด้วยกิเลสกามแล้วก็ความยิน ด, ดีแต่เราถึงตันหาซึ่งก็เป็นมาราเซนาฮะอีกข้อหนึ่งนะฮะ ตัณหากับความยินดีหรือกิเลสกามที่จริงเป็นพวกเดียวกันเพียงแต่ว่าอาการของตัณหามันแรงเวลาท่านแปลท่านจึงแปลว่าจิตที่ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากในสิ่งที่จิตใคร่ด้วยอำนาจของความใคร่ก็หมายความว่าจิตมีกิเลสกามจิตมีความยินดีจิตก็กำหนดอารมณ์ว่าสิ่งนั้นสวย รูปนั้นสวยเสียงนั้นไพเรากลิ่นนั้นหอมรสนั้นร่อยสัมผัสน่าจับต้องแล้วก็มีการปล่อยความปรารถนาเพราะในพัตตคารเราจึงไม่น่าเชื่อว่ามีการบริโภครูปบริโภคเสียงบริโภคกลิ่นบริโภครสบริโภคสัมผัสกินหมดเลยวัตถุการ์ทั้งห้าในทุกอามาปนปื้อในมื้อเดียวแล้วรายจ่ายนี่มันจ่ายไปอย่างไม่น่าเชื่อ เคยพบคนบางคนเขาเล่าให้ฟังเกิดไปนั่งกินอาหารกับเผือกแปบเดียวเนี่ยเป็นหมื่นมื่นแล้วก็เขาไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเกิดในขณะที่คนเป็นมากกาลังประสบความเดือดร้อนกันอยู่เนี่ยถ้าใจคนเหล่านั้นเปลี่ยนพวกกิเลสการมลดความเข้มข้นขอ ง, ของกิเลสกามอยู่ แล้วก็มองความหิวกระหายเป็นปัญหาที่จะต้องบรรเทาอย่างความคิดที่ท่านบอกว่าเนกาสีและปติสุขขังการบริโภคคนเดียวไม่เป็นสุขแต่ที่เราจะบริบรโภคคนเดียวเราก็อกเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สงเคราะห์นุเคราะห์ให้คนอื่นได้บริโภคด้วยจะอิ่มด้วยกันเพราะว่าหิวมาด้วยกัน แต่แน่นอนว่าคนที่เราช่วยนั้นไม่ใช่ว่าคนที่งอมืองอเท้าไม่ยอมช่วยตัวเองนะคือคนที่เขาต่อสู้ชีวิตเขาช่วยตัวเองด้วยความมันขยันเอาจริงเอาจังแต่ไม่สามารถจะเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวให้เป็นสุขได้แล้วเราก็เข้าไปเสริมไปชดเชยไปจุนเจือในระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าให้ไปทั้งหมดเพราะอย่าลืมว่าการบริหารการจัดการเนี่ย ถ้าโง่แล้วเนี่ยมันสร้างปัญหาต่อเราบังก่อนได้เคยเล่าให้เขาฟังว่าเรื่องศาสนาเนี่ยต้องไม่บำรุงบำเรอมากเกินไปแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ต้อทิ้งละเลยโดยเฉพาะาองค์กรสงฆ์เนี่ย องค์กรสงรมีบทเรียนในประวัติศาสตร์ด้วยกันทั้งสองด้านคือด้านที่ถูกทอดทิ้งละเลยชาวบ้านไม่ให้การอุปถัมภ์บำรุงบำรุงแต่ท่านต้องการจะอยู่ให้ได้ร้อนก็มีวิธีการชิกแทกหากินกันด้วยวิธีการต่างๆและคนเลวก็ช่วยโอกาสตรงนี้เข้ามาใช้รูปแบบของความเป็นพระสแสวงหาประโยชน์เพื่อตัวเองเพื่อครอบครัว แล้วพูดเรื่องศีลธรรมจัรญา ก, กันแต่ในขณะเดียวกันถ้าปนปรือมากเกินไปกิเลสกามเขาก็ได้อาหารความยินดีก็ได้อาหารตัณหาก็ได้อาหารแล้วความหิวกระหายมันสงบมันก็กลายเป็นความหิวกระหายทางจิตปัญญาอยากได้ที่ประหนี่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดมันก็เกิดอหังการมามังการ ไม่ใส่ใจไม่นำพาไม่ดังขังขอบต่อประชาชนที่อยากจนเพราะตัวเองไปยึดติดอยู่กับผู้บริหารครับสมัยโบราณเนะี่ยก็คือประชาชนเกษตรฐี่มหมาหมาทั้งหลายในสุดก็ไม่เห็นหัวคนการมีองค์กรศาสนาขึ้นมาก็ไม่ได้เอื้อประโยชน์อะไรแก่โลกแก่สังคมมันเป็นส่วนรวมเพระาะศาสนานั้นเป็นองค์กรเพื่อมนุษยชาต เป็นองค์กรที่ค่อนข้างสกลสูงนะฮะโดยพื้นฐานปรัชญาอุดมการณ์จริงๆแล้วเนี่ยเป็นลักษณะคติลักษณะของอุดมคติที่สูงก็ เ, เรียวเพื่อมนุษยชาติเพื่อประโยชน์เพื่อเกืกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพื่ อ, อนุเคราะห์ต่อสาวโลก แต่ว่าคนที่เข้ามาอยู่ในองค์กรเนี่ยถ้าว่าพ่ายแพ้ต่ออำนาจของกิเลสสมานและในสุดถึงจุดหนึ่งมันก็ดึงองค์กรเข้าไปประสบ ป, ปัญหาเราลองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยหลังพุทธกาลนะนะคือสมัยพระเจ้าอโศกเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินให้การทนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นรูปของการปนปลือกันดีเนี่ยจนท่านก็ห่างเหินจากราชโอรสราชนัดดาครอบครัว ร, ร, ราชภาระที่จะต้องปฏิบัติในฐานะที่เป็นประมากษัตรย์อันทำฐานะของอุบาสกมากเกินไปก็ทําให้เกิดปัญหาความรู้สึกต่อต้านขึ้นไปในครอบครัวโดยเฉพาะพระราชนัดดาพระเจ้าสัมปติพระเจ้าปรหิหลัดรลเนี่ย สภาวะสลดนั้นรุงกุกหลังหน่อยแต่ว่าสัมปติน เ, เ, เ, นเนี่ยเขาก็พบเหยนในกันต่างมันเป็นความเกลียดที่เกิดจากความรักคือพระราชกุ ม, มารไปมองพระเป็นศัตรูที่แย่งความรักจากสเสด็จปู่ของท่านไปตอนถึงจุดหนึ่งท่านได้โอกาสท่านก็นยึดอำนาจเลยแล้วก็ตัดผลประโยชน์ต่างๆที่ทางศาสนาเคยได้ คือมีคือเป็นออกไปหมดคณะสงฆ์ก็ถูกโดดเดี่ยวแล้วก็เดินไปไม่เท่าไหร่นะฮะถึงสมัยพระเจ้าปุษยมิตรถึงเป็นพรามในนิกายสามเวาเทก็ทำให้พระสงฆ์ถูกขึ้นถูกให้ข้าหัวก็ใครฆ่าพระได้เขาก็ให้ 1, หนึ่งพันกหาปณะมันก็ป่นเมืองเลยเพราะว่าแนวรูปมันเยอะ คนี้ริศยาอยู่ลึกๆมันซายอยู่ลึกๆเกลกเียดอยู่ลึกๆแล้วก็พวกเฉยๆหรือไม่ไปถึงการศรัทธาไม่ถึงก็งยังรังเกียจมันก็รังเกียจมันก็กลายเป็นแนวร่วมหมดหรือสมัยนารันทาก็มีลักษณะอย่างนั้นราชวงศ์คุปตะเนี่ยให้การคุ้มครองดูแลรักษาศาสนาจนว่าพระเป็นอาณาจักรเก็บ สวยสากรต่างๆมาทนุบันุ๋ ง, งมาจะไรได้ท่านก็ไม่ต้องสนใจชาวบ้านประการได้มาถึงปัจจัยสี่นั้นเป็นกระบวนการจัดตั้งที่มีประสิทธิภาพภายใต้การสนับสนุนของสถาบันประมหากษัตริย์ถ้าถ้าก็ลืมตัวก็เหลิงแล้วก็สร้างโลกส่วนตัวขึ้นมาไม่สนใจไม่นำพาไม่ดังขังขอบชาวบ้านที่มันน่าเจ็บใจก็คือว่า กองทัพอิสลามเติบมันมีแค่เจ็ดร้อยมาแต่นั้นเองไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่ว่าสามารถทำลายเมาเฉละใหญ่โตได้นั้นเพราะอะไรเพราะว่าพวกนี้เป็นเป็นแนวร่วมมุมกลับคือเฉยๆยไม่เข้ามาช่วยเหลือเพราะไม่มีอุปการะปฏิการะ เพราะสังคมจะอยู่ร่วมกันได้เนี่ยเมื่อมีอุปการะ ก, ก็ต้องมีปฏิการะคือมีการกระทําดีแล้วก็คําดีตอบจะปลอควายไดควายหนึ่งทําเพียงอย่างเดียวมันไม่ได้เพลักษณะเหล่านี้เราจะเห็นว่าปัญหาเวลาเกิดเนี่ยมันเกิดในยุคที่เราตกอยู่ภายใต้ของเสนามานแต่นั่นเองไม่ใช่ตกอยู่ภายใต้ของพรามานอะไรยางปัญหาเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นมาทุกยุคทุกสมัย แต่เราลองนับดูสักสี่ข้อแรกเนี่ยนะฮสีข้อแรกเราจะเห็นว่ามันก็กลายเป็นพูนประนัดยกรรมที่จํานวนมหึมาม า, ากกิสกรรมนั้นจะเป็นตัวนําได้คนจะละโมบโลภอยากได้จนไม่คํานึงถึงวิธีการในการได้เขาให้ได้กับได้ได้กับได้ได้ก็ได้แต่ได้เองทรัพยากรของชาติจะถูกทําลายล้างพานไปเท่าไหร่ก็ไม่นําพา ปเล็กปลาน้อยปลาจะวางไข่อะไรแต่ะไรจะตายไปเท่าไหรก็ไม่สนใจไอแ่งน้ำลาทานต้นน้ำลำทานด้วยว่าปลาชายเลนจะเสียหายังไงก็ไม่สนใจคอยตัวเองได้คือเราไม่นึกเลยนะฮะว่าการศึกษาที่สูงมาพัฒนามาได้ขนาดนี้แต่จิตใจคนในี่ยย่ำแย่มากๆเห็นแก่ตัวจนหน้ารังเกียจ แล้วก็นึกไม่ออกไม่คิดยังไงแต่นั้นก็คือเงื่อนไขเนี่ยถ้าเราสาวลึกลงไปละเยอะแต่เราเห็นว่ากิเลสกามันออกมามากจนเห็นแก่ตัวยินดีจนไม่มีครอบว่าเท่าไหร่จึงเรียกว่าพอว่าอิ่มบทจุดการสแสวงหาการถือครองการครอบครองสิ่งโดดนั้น แต่ก็คอยควา้าปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นร่ําไปแล้วในที่สุดไอหิวกระหายมันไม่ใช่เรื่องร่างกายแล้วมันเรื่องจิตวิญญาณนะจิตวิญญาณที่หิวกระหายนั้นไม่มีทางที่จะตอบสนองได้ถ้าไม่มีคุณธรรมเกิดขึ้นสกัดกั้นเอาไว้เพราะมันจะมีลักษณะเมื อ, องก็ฝ่าคือไฟนั้นจะไม่อิ่มด้วยเชือ้อไม่ว่าจะ อยู่สักกี่กับกันในดันดอนก็ตามฮนะถ้ายังมีเชื่ออยู่ไฟมันลุกลามไหม้ไปได้เรื่อยๆดังเราดูตัวอย่างไฟเผาศพที่ท่าทัศน์อัศเมฆที่ประเทศอินเดียดีแม่น้ําคงคาเนี่ยประมาณสักห้าพันกว่าปีมาแล้วนะฮะก่อนพุทธกาลก่อนพุทธกาลตั้งเยอะนะะครึ่งตก็ครึ่งตุกวันก็ยังอยู่่ะและยังอยู่อยู่อย่างนั้นแหละ ตรบใดที่ความเชื่อเหล่านี้ยังมีอยู่เพอใหกแกจะได้เชื่อของแกดรื่ยๆแกๆจะมีเครื่องเผาไม้ไปไดรยๆแล้วแกก็เผ า, เาได้เดืๆ่ๆตนพวกมารสน า, านี่เราจะเห็นว่ามันผลักดันให้ไอตัวความหิวกระหายซึ่งเป็นธรรมชาติแจรที่จะบำบัดความหิวกระหาย แล้วก็ร่างกายได้รับการทนุบำรุงพอสมควรเกีรกิเอกภาพมันไม่ใช่มันต้องการมันแข่งขันกันแล้วก็สังคมในปัจจุบั น, เ, นเราจะเห็นว่ามันกระตุ้นในอยา่างกระตุ้นในเกิดการแข่งขันเราดูการโฆษณาขายบ้านในหกสิบล้านแปดสิบล้านร้อยล้านเนี่ยแล้วก็โอ้โหบ้านอะไร ม, ะมหาศาลขนาดนั้น เงินกระดาษนี้เราทําอะไรได้เยอะอะไรนะเป็นประโยชน์แก่สังคมแก่ประเทศชาติใช้หนี้แก่แผ่นดินเนี่ยแต่มาเป็นปรือคนเพียงไม่กี่คนทั้งทั้งที่ทรัพยากรเหล่านั้นเป็นทรัพย์ของบรรพชนไทยที่ได้ต่อสู้รักษามาหลั่งเลือดลมดินมาเนี่ยเรานับหยดเลือดของท่านเหล่านั้นบรรพชนเหล่านั้นเนี่ยจํานวนมหาศาลนะแต่ว่าลูกใครหลานใครไม่รู้ว่า ไอโมเมเอาเป็นรถบัตรข้งตัวคนเดียวแล้วก็โกยตักตวงจนร่ำรวยไม่รู้เรื่องไปนี่คือสิ่งที่น่าคิดมากพเพราะอะไเพราะว่ากิเลสการมมันมากแล้วก็ยินดีนีนไม่พอที่ท่านบอกว่านาัตติตหาสมาณะดีแม่น้ำเสมอได้ตัณหาไม่มีเป็นสภาพจิตที่พระรัฐบาลนะท่านแสดงว่า โลกคือหมู่สัตว์พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นท่าของตัณหาตัว น, นี้เลยกลายเป็นกระบวนการเราสังเกตว่ากิเลสกามความยินดีความอยู่กระหายตัณหาซึ่งตัณหาก็ดีความยินดีก็ ด, น ด, น ด, นดีนั้นเป็นอาการของกิเลสกามแต่ตัวความอยู่กระหายที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นความต้องการทางกายร่างกายเราเราจะบริโภคอาหารมหาสารยังไงก็ตาม ในส่วนเขาเองเขาขาดอะไรเท่าไร่เขาแอบซอบเข้าไปทางนั้นขาดแคนเซียมเท่าไรขาดเกลือเท่าไรขาดแต่โปรตีนเท่ไาไรไขมันเท่ไาไรคาร์โบไฮเดรตเท่าไรก็ไม่รู้แกก็ดูซดซับดูดซับเข้าไปทางนั้นเองเมื่อนั้นมันก็กลายเป็นการดที่จะต้องทาลายทําหาอาหารของว่าหลังมากินให้มันย่อยต่ออะไรก็ขึ้นตรงกระเพาะหลังหมดเลย รับสมบัติเล็กๆน้อยๆก็ขนไปให้ก๊าลังไปตุนหัวทุนกล้าให้แก่๊ า, ล, าลังก๊าลังก็รวยขึ้นเราก็เตี้ยลงเตี้ยลงอันนี้ก็คือคือหมาราเซนาที่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวแล้วความง่วงเหงาหางนอนเออีกหละก็จะเห็นว่าความง่วงเหงาหางนอนนั้นเป็นความต้องการทางร่างกายคนสามารถนอนหลับได้ทุกคนทุกแห้ง ถ้าหากว่าใจไม่มีความวิตกกังวลไม่มีความวัดระแวงความสุขที่เกิดขึ้นจากการนอนนั้นบางครั้งขอทานที่นอนริมถนนอาจจะสุขกว่าหมาเศรษฐีที่อยู่ในครือหานซึ่งนอนห้องปรับอากาศแด่งดีแต่ว่ามีความวิตกกังวลมีความวัดระแวงมีความกลัวนุ่งนอนหานอนเป็นความต้องการทางกายแต่ลองสังเกตว่ามันเป็นอาการของนิวร เป็นอาการของนิวรนอยู่ด้วยเพราะไรเพราะว่ากายได้รับการปลนปลือมากเกินไปหรือว่าการกายร่างกายรับการเดี๋ยวแหลมากเกินไปหรือปล่อยประลาเลยทอดทิ้งเจ็ดนั่งแฉดในที่นั่งนอนแฉดในที่นอนยืนแฉดในที่ยืนแล้วก็ไปอยู่ในอากาศที่อับทึบไม่มีความกระปรี้กระเปร่าไม่กระตือรือร้น แล้วก็ปรุงคิดคิดปรุงย้ำเตือนอยู่ตรงนั้นเองสร้างโรคทนตัวขึ้นมาแล้วก็หาทางออกแก้ตัวเองไม่ได้การเป็นอาการทางจิตไปแทนที่จะเป็นความต้องการของร่างกายถ้าหยุดไว้จะเพราะความต้องการของร่างกายที่จริงก็ไม่มากนะกง่วงเหาหงนอนมันก็พอกัความหิวกระหายหรือมันมีจุดเข้ามันเนี่ยง่วงเหาหง่อนนอนพอนอนสักระยะหนึ่งมันก็หาย ยึกระหายก็เหมือนกันพอรับประทานไปหน่อยมันก็หายเพราะว่าทำได้แค่บันเทาอย่างที่บอกแล้วเราแก้เขาไม่ได้เราก็ตุ้งเหงาหงานอนอยู่เรื่อยไปแต่ที่มันมีปัญหาจนบางครั้งบางคราวนอนไม่หลับไปปวดไปเมื่อยมีกิจกรรมต่างๆเพื่อจะหาประโยชน์จากไอจุดอ่อนตรงเนี้ยแต่ลองสังเกตนะฮะพวกนี้มันจะทํางานหนุนช่วยกันไป กิจกรรมนี้เป็นพื้นฐานเลยก็ยินดีในการนอนการเคลื่นหลับเราต้องนอนในที่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเราต้องมีคนบีบนวดต้องมีการขับปลอ ม, ต, อ ม, อมต้องมีอะไรอะไรเยอะไปหมดเละทีนี้ไม่รู้จะเอาอะไรแล้วคนเหล่านี้ส่วมากมันจะได้ปลนปลือจากสังคมคนรู้สึกคล้ายๆกับเป็นการทําบุญที่ได้มีการปลนปลือ ให้บุคคเหลอดนั้นได้สวยสุขท่ามกลางแสงสียอนวิจิตงดงามต่างๆผลความมุ่งนอนจึงกลายเป็นสิ่งที่ต้องซื้อหาแล้วก็ใช้จ่ายมาเห็นมแม้แต่เตียงนอนแม้แต่ทีนนท่นอนที่นอนแม้แต่โรงแรมที่นอนหรือเช่านอนห้องสวีทบางห้องห้องสูทบางห้องตามโรงแรมต่างๆเนี่ย มากลวัวนึกว่าสร้างกระตอบเล็กๆได้หลังหนึ่งนะฮะมอนคืนเดียเนี่ยทีนี้ถ้าเขานอนเป็นสักสิวันเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างบ้านได้หลังเนี่ยก็คนสามัญธรรมดาก็อยู่ได้สบายๆนี่คือปัญหาของมารที่เขาส่งกิเลสตรงบริวารมาตุกวนเราแล้วการต่อไปคือความขาด ความขัดกลัวขาดภัยขาดอันตรายต่างๆความวิจกกังวลแล้วก็ส่วนใหญ่บางก็ปรุงแต่งนะฮะคือปรุงแต่งเอามาปรุงเอาเหตุผลสติปัญญามันจะคลุกบันทนพลังอํานาจลงไปแล้วแกก็มองไปในแง่เดียวมุมเดียวแต่คนรดลองสังเกตว่าเราขาดอะไรล่ะสิ่งที่น่าขาดเนี่ย มันลวงเดนียวเราไปสู่นรกได้เนี่ยคือบาปเท่านั้นเองแต่ถ้าอย่างอื่นมันไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเช่นสมมติว่าเขานินทาอะไเงี้ยนินทานกลัวอะไรก็รู้มันนินทานิ น, นทานเป็นธรรมดาเนี่ยนะคือคนนินทานได้ทั้งนั้นนินทานได้ทั้งคนไม่พูดทั้งคนพูดน้อยทั้งคนพูดพอประมาณทั้งคนพูดมากไม่ห น, นินทานได้ทั้งนั้นเน่ย คนเดินมันก็เดินมันกนินทาได้ทั้งหมดคนไม่จะนินทาจะอย่ากหนึ่งก็นินทาที่พระเจ้าทรงแสดงว่าคนไม่ถูกนินทามันไม่มีในโลกมันไม่จะกลัวอะไรก็อยากจะนินทาก็นินทาไปปากเขานะ่ะความคิดเขาปากของเขาเวลาของเขาก็ใช้ไปก็เรื่องของเขาเราก็ไม่สนใจเราไม่สนใจเราก็ไม่กลัวตอนปนัญหาความขาดเนี่ย มันเป็นปัญหาธรรมชาติที่สร้างจินตนาการอะไรๆขึ้นมาลอกลวงตัวเองเกินจริงคมคู่คุกคามตัวเองจนบางครั้งบางคราวนี้เบ็ดเสร็จอยู่ในตัวเลยเรียก ว, ว่าปรุงแต่งย้ำคิดย้ำทำย้ำเตือนนะแล้วก็กลายเป็นเครียดเป็นวิตกกังวลเป็นหวาดระแวงมีคนจะมาฆ่ามีคนมาติดตามมีคนมันก็ซิบที่หูก็ว่ากันไปเดยๆ กลายเป็นอาการทางจิตประสาทอย่างที่วิตกกังวลกันดูต้งฟังทต่ไแต่หลวงป่พธิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีได้ท่านผู้ฟังแตลายโดยทั่ว ก, กันสวัสดี